ปีพุทธศักราช2492ภันศาที่5ท่านจำพรรษาที่วัดบ้านหนองผือตำบลนานในอเภอพันานิคมจัังวสกลนครหลวงปู่ีมหาวีโรในเล่าประวัติของท่านต่อไปอีกว่าเราได้ท่องเที่ยวไปวิเวกตาม่าำตามผาตามป่าตามเขาหลายรูปหลายแห่งคงพอตัวแล้วในเรื่องสมาธิภาวนาต้นปีพุทธศักราช2492 จึง ต, ตัดสินใจเดินทางจากภูเขาเขียวลงมาอีจังหวัดร้อยเอ็ดไปยังอำเภอพันานานิคมจังหวัดสกลนครมุ่งเร่งฝีเท้าผ่านป่าเขาด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวหวังเข้าไปหาท่านพระจารย์มั่นแต่เพียงผู้เดียวเมื่อเข้าไปกราบนมัส ก, การฝากตัวเป็นศิษย์ใต้ร่มธรรมของท่านดังที่ใฝ่ฝันมานานเมื่อแรกเข้าไปถึงท่านพระจารย์มั่นได้ถามว่าเคยได้ไปอยู่ตามภูเขาตามถ้า ตามป่าคนเดียวหรื อ, อยังกราบเรียนตอบท่านไปว่าเคยไปอยู่บ้างครับเคยไปเที่ยวกรรมฐานที่ไหนบ้างละ่ะท่านถามเคยไปอยู่ภูเขานี้บ้างถ้า น, นี้บ้างก็เคยไปอยู่บ้างแล้วครับเรากราบเรียนตอบท่านเออก็พอมีสติอยู่บ้างเนาะท่านพระอาจารย์มั่นพูดเสียงเน้นๆกังวานในตาหน้าเกรงขามเป็นที่ยิ่งส่วนทางเรานั้นแอบคิดในใจว่านี่ขนาดเรา ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างกล้าหาญนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมตลอดคืนยันรุ่งไปอยู่คนเดียวเสือร้องเฮ้ยเฮ้ย้องฮ้องอยู่ข้างๆก็ทำอยู่อย่างนั้นมาแล้วจนสุดแรงเกิดแทบล้มแทบตายแต่ท่านก็ยังว่าพอมีสติอยู่บ้างเนาะถ้าอยู่คนเดียวได้จะต้องเป็นผู้มีสตินะแล้วท่านก็ให้โอวาาส้สำถายว่าผู้ที่จะมาศึกษาธรรมะ ก, กับเรา จะเป็นพระหรือโยมก็ตามขอให้เก็บหอกเก็บดาบเอาไว้ที่บ้านไม่ต้องนําติดตัวมาด้วยคําพูดของท่านผู้เป็นจอมป ร, ราดพูดเพียงเท่านั้นเราจึงเป็นเหมือนหิ่งห้อยกับแสงจันทร์เหมือนพรยาช้างกับแมวน้อยน้ําในขันกับน้ําในมหาสมุทรฟ้ากับดินปัญญายาณของท่านจึงไม่มีประมาณทะลุทะลวงดวงใจของเราทั้งหมดเป็นที่อัศจรรย์ตั้งแต่นั้นมา จึงเริ่มตั้งความเพียรให้หนักหน่วงกว่าเดิมเป็นเท่าทาวีคูณต่อจากนั้นก็ได้ฟังธรรมะของท่านก็ยิ่งติดใจยอยู่ไม่หายหาโอกาสประพฤติปฏิบัติอย่างเต็มที่เอาชีวิตนี้แหละเป็นเดิมพันใจคิดอย่างนั้นนะโดยมากก็ไปแต่ผู้เดียวนั่นแหละเร่งความเพียรเต็มที่ขอมอบกายถวายชีวิตต่อท่านถ้าหากเราประพฤติปฏิบัติอย่างกล้าหาญเด็ดเดียวทุ่มเทกาลังอย่างเต็มที่แล้ว ต้องมีทางได้บรรลุผลตามประสงค์สิ่งเหล่านี้มันต้องขึ้นอยู่กับเหตุเมื่อมีเหตุผลก็ต้องมีเหตุน้อยผลน้อยเหตุพอประมาณผลพอประมาณเหตุมากผลมากเหตุพิเศษผลก็พิเศษมันเป็นอย่างนั้นเราอยู่กับหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นได้ตั้งสัจจะทิ่ฐานไว้ว่าจะเร่งความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนทั้งหลับและตื่นในที่สุดมันก็ได้รู้ได้เห็นตามลาดับ ไม่ว่าใครก็ตามถ้าตั้งใจก็ย้ำได้ไม่ว่าผู้น้อยผู้ใหญ่คนเท่าคนแจผู้หญิงผู้ชายสมัยครั้งพุทธกาลเนนน้อยอายุสิบสองปียังได้สำเร็จอรหันมันอยู่ที่จิตใจส่วนคนน้อยคนใหญ่ก็เคยผ่านพพชาติเคยเป็นเด็กเป็นคนแจ่มาแล้วด้วยกันทั้งนั้นเพราะเราสร้างร่างกายผ่านมาไม่รู้จีภพกีชาติแล้วคนหนึ่งหนึ่งนี้กองกระดูใหญ่กว่าภูเขาเสียอีก ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีได้หายไปจากโลกความศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้หายไปจากโลกเช่นเดียวกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ประพฤติปฏิบัติถ้าหากเราปฏิบัติให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาในตัวเราหรือศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่อยู่ก็เกิดจากการประพฤติปฏิบัติของเราทั้งนั้นไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเวทมนตร์ ค, คาถาหรือคาถาอาคมอะไรต่างๆสร้างพลังของจิตใจให้เกิดขึ้นหรือมีสัจวาจา ในการประพฤติปฏิบัติมันสัติ์สิทธิ์ขึ้นเองมันเป็นผลพลอยได้ทั้งๆ ท, ที่เราไม่รู้จักเรื่องเลยมันต้องอยู่กับการปฏิบัติขอแต่เราเป็นคนจริงเสีย อ, อย่างเดียวทำต้องทำจริงเมื่อตั้งสัจจะจะต้องทำให้ได้ตายก็ตามรอดก็ตามถ้าหากตั้งสัจจะไว้แล้วนั่งสมาธิหรือจะประพฤติปฏิบัติเป็นแบบไหนแล้วไปทำลายสัจจะอย่างนั้นมันเป็นคนไม่จริง เป็นคนหลอกทําอะไรไม่มีความศักดิ์สิทธิ์วิเศษอย่างอยู่ถิ่นไหนแห่งใดเหมือนกันมันก็เกิดจากจิตใจของเราเกิดไปจากการประพฤติปฏิบัติของเราว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้มีสัจจวาจาเราอยู่กับท่านเลยนวดเส้นถวายท่านตลอดพรรษาคนอื่นจะไปนวดเส้นถวายท่านห้ามนวดถวายตั้งแต่เวลาห้าทุ่มถึงตีสองปฏิบัติ จ, จริงๆเพื่อหวังคุณงามความดีอยู่กมบโณะนิลลงปูร่าเกิดมะปฏโต พระจานทร์วันอุตมโมและหลวงตามหาบุญยนสัมปันโนเป็นพระผู้ดูแลหมู่คณะในครั้งกระนั้นในฤดูหนาวหลวงปู่มั่นท่านแจ่เท่าแล้วร่างกายทัดขันมีอาการอาภาษณ์ด้วยโรคชราเมื่อท่านเดินจงกรมต้องรีบนำเตาายไปตั้งเพื่อไล่ความเย็นในที่ใกล้ทางจงกรมต้องปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเมื่อท่านกลับเข้าที่พักก็นาไปตั้งไว้ที่ใต้ถุนกุฏิของท่านหลวงปู่ล่าคอยเติมไฟ ส่วนเราตามขึ้นไปนวดเส้นถวายบนกุฏิในบางครั้งท่านเล่าเรื่องธรรมะให้ฟังว่าสติของท่านไม่เคยเผลอเลยไม่เผลอทั้งกลางวันกลางคืนทั้งหลับและตื่นหมุนอยู่ตลอดเป็นอันเดียวกันกับจิตแนบสนิท ต, ติด ก, กันไปเลยจะเดินจะเหินทุกอิริยาบถการพูดการจาการมีถบาดการขบฉันสติไม่เคยเผลอเลยสักครั้งเดียวเราฟังแล้วก็อดที่จะอัศจรรย์ไม่ได้อยากปฏิบัติให้ได้อย่างท่านบ้าง เมื่อเราคิดอย่างนั้นบางทีท่านก็กระแอมเหมือนบอกให้รู้ว่าอย่าคิดอย่างนั้นนะท่านสีธรรมะจะเกิดขึ้นด้วยการคิดด้นเดาเอาไม่ได้ธรรมะต้องเกิดขึ้นด้วยการลงมือทาด้วยตัวของเราเองเท่านั้นเมื่อท่านกระแอมสกิจห้าไม่ให้เราคิดอย่างนั้นเรายิ่งอัศจรรย์ใจไปแบบเลยเถิดเกินที่ท่านจะกระแอมมาสกิดให้หยุดคิดได้อีกนี่แหละหนอพุทชนกับพระอรียเจ้า ช่างต่างกันราวฟ้ากับดินแท้จริงๆถึงแม้ว่าเราจะพยายามทำจิตใจให้เกิดความสงบแต่พอนั่งไปมันเจ็บมันปวดมันจะล้มจะตายหนักเข้าต้องมาลดละอาหารเหมือนที่เคยปฏิบัติมาเมื่อฝึกอย่างนี้อยู่บ่อยๆในที่สุดฉันอิ่มเต็มที่ก็นั่งผ่านทุกขเวทนาได้ตลอดต้องหาวิธีการทดสอบตัวเองจนกว่าจิตใจจะเกิดความสงบทาขนาดนั้น จิตมันถึงยอมไม่ใช่ธรรมดาพุธิยาบก็หยาบมากเราจึงรู้ว่าเราเป็นคนนิสัยวาสนาหยาบมากแต่เราก็มอบชีวิตสู้ตายเลยเอาความตายเป็นเดิมพันแต่มันก็ไม่เห็นตายสักทีในที่สุดจิตก็พลิกขึ้นมาถ้าธรรมะเข้าไปแทรกซึมภายในจิตใจจิตอ่อนนิ่มไปเลยนั่งสมาธิตลอดคืนก็ไม่ง่วงเหงาไม่ปวดไม่เจ็บไม่เมื่อยล้าถึงแม้ไม่ได้ฉันอาหาร ทุกุเวทนาทั้งหลายทั้งปวงมันหายหน้านี้หมดไม่มีเลยมีแต่ความสุขความเบากายเบาใจมีแต่ความสดชื่นเบิกบานร่างกายเบาเหมือนปุยนุ่นมันรุนแรงขนาดนั้นแหละเรื่องของจิตไม่ใช่จะฝึกหัดได้ง่ายๆแต่ว่าผู้ที่ง่ายก็มีผู้ที่ยากก็มีแล้วแต่อุปนิสัยของแต่ละคนแต่โดยที่สุดแล้วมันไม่เหลือวิสัยที่เราจะทำหรอกเราเอาจนกระทั่งชนะมันได้นั่นแหละ หลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นนี้ท่านไปสอนจนกระทั่งสมเด็จสมเด็จท่านก็ไม่รู้ท่านก็ไม่เชื่อจะเชื่อได้อย่างไรมันไม่เห็นเองเราต้องอาศัยกลางกระทามันจึงจะเกิดขึ้นได้แม้ว่าองค์ท่านอายุได้79ปีบางวันท่านนั่งทั้งวันทั้งคืนบางครั้งก็สวดมนท่านสวดมนได้มากธรรมบทไหนมีธรรมจักเป็นต้นท่านสวดอยู่คนเดียวไหว้พระสวดมนเช้าค่าท่านสวดได้หมด หลวงปู่มั่นท่านสอนเราว่าถ้าพูดให้มันฟังมันไม่เชื่อเชื่ออยู่แต่มันไม่ทำทำแต่ไม่ได้เห็นผลถ้าเชื่อจริงๆมันต้องทำได้สิแต่นี่มันฟังเล่นเล่นเฉยเฉยมันไม่เห็นคุณค่าของพระศาสนาไม่เห็นคุณค่าของธรรมะหลวงปู่มั่นท่านเล่า ว, ว่าท่านไปอยู่บนเขาป่วยหนักยิ่งป่วยท่านยิ่งนั่งนั่งจนกระทั่งล้มลงล้มลงท่านลุกขึ้นมานั่งใหม่พอท่านรู้ขึ้นมาสว่างโร่เลย เสียงนกเสียงหนูร้องรู้จักภาษาสัตว์หมดดูสินกร้องท่านก็รู้ได้สว่างโรู้เลยอันนี้แหละเป็นตัวเหตุเราจะอยู่เฉยเฉยจะเกิดอาจเกิดทําขึ้นมาเป็นไม่มีและเป็นไปไม่ได้เหมือนเราหิวข้าวนั่งดูเฉยเฉยจะอิ่มไม่ได้เราต้องกินเท่านั้นถึงจะอิ่มเราต้องลงมือกระทําใครใคก็เหมือนกันท่านเคยสอนไว้อีกว่าจิตใจคนเราก็เหมือนลิงติดตัง ลิงอยากไปจับตังค์ตังก็คือยางไม้เหนียวจับแล้วยางเหนียวมันก็ย่อมติดมือติดมือแล้วก็เอามาติดตาก็ตัวเองนั่นแหละทําตัวเองคนอื่นไม่ได้ทําพอติดตาแล้วมองไม่เห็นไปไหนก็ไม่ได้แล้วจะไปตําหนิใครตัวเองทําตัวเองทั้งนั้นตัวเองฆ่าตัวเองตัวเองทําลายตัวเองติคนอื่นไม่ได้หรือยางเกิดมารูปพันธสันญานไม่สวยหรือเป็นง่อยเปรี้ยเสียขา จะหาว่าพ่อแม่ทำก็ไม่ใช่เป็นกรรมของเราเองทั้งนั้นเกิดจากกรรมที่เราได้สร้างไว้แต่ปางก่อนทั้งนั้นจะไปตำหนิใครไม่ได้ตัวเองทำตัวเองทั้งนั้นเหมือนลิงติดตังนั่นแหละตัวเองทำตัวเองก็คือใจนั่นเองลิงติดตังตัวนั้นก็คือใจคือจิตของเรานี่แหละใจมันสร้างความชิดขึ้นมาก็หลงความคิดติดตัวเองสร้างอะไรก็หลงอันนั้นตัวเองหลงตัวเอง ตัวเองบ้าเพราะตัวของตัวเองขณะเดียวกันผู้มีปัญญาท่านมองดูท่านอยากหัวรเราะยอกเอาเป็นเรื่องขบขันไปเลยในสมัยหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นท่านทำจริงทำจังต่างคนต่างเร่งประพฤติปฏิบัติไม่กลัวฝนกลัวแดดแม้แต่ฝนตกท่านก็เดินจงกรมอยู่อย่างนั้นโดยไม่ได้คํานึงถึงร่างกายแต่ท่านเอาจิตใจของท่านเป็นหลักใจไม่ดีเราต้องทรมานมัน ปราบใจจนกระทั่งมันอยู่นิ่งต้องเป็นผู้กล้าหาญเด็ดเดียวทำครึ่งๆึ่งกลางๆในที่สุดก็ล้มเหลวเรารู้หรือไม่ว่าเราตามใจที่ว่ายากสอนยากมาสักกี่พบกี่ชาติแล้วสมัยก่อนครูบาอาจารย์เช่นท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันทุโลพระอาจารย์สิงห์ธัญาคโมพระอาจารย์อ่อนยานสิริพระารอาจารย์ปันอาจารโรพระอาจารย์ดูลอตุโลพระอาจารย์มหาทองสุขสุกิตโต พระอาจารย์งกงมาจิระปุญโยพระรอาจารย์หลุยกันทสาโรพระอาจารย์ชอบฐานะสโมพระอาจารย์เทพเทศหลังสีท่านพ่อหลีธรรมทโรหลวงปู่ขาวอนารโยท่านเจ้าคุณอริยกวีเขียนท่านเจ้าคุณปราจินมุนีเพลงท่านเจ้าคุณเทพบรคุณอ่ําท่านเจ้าคุณทำใจโลกาจารรักท่านเจ้าคุณทำวราลังการสีจันทท่านเจ้าคุณเทพสุทาจารโชดเมื่อท่านเหล่านี้ มากราบเยี่ยมอาการอาภาษและสนทนาธรรมกับท่านพระจารย์มั่นท่านมักจะสอนเสมอๆว่าไม่ให้อยู่ในที่ดีๆให้อยู่ในร่มไม้ชายป่าชายเขาถ้ำเนื้อมผาถ้าอยู่กุฏิดีๆแล้วมันสนุกนอนมันไม่ยอมภาวนาธรรมชาติของจิตมันหาทางสบายอยู่ถ่ายเดียวฉะนั้นการฝึกขัดข้อวัดปฏิบัติต่ตางๆ ต, ต, ต, ต้องมีสติคือการตั้งจิตตั้งใจนั่นแหละ แต่ก่อนท่านเข้าไปฝึกหัดอยู่ในภูในเขาในถ้ำขึ้นเหวไกลๆอยู่ป่าช้างดงเสือไม่มีกลัวพวกเรากลัวถึงขนาดขาดสติแล้วไม่ได้เรื่องอะไรเลยเพราะพวกเราไม่ค่อยอยากฝึกไปอยู่กัมูมมันเพิดเพลินมันทะเยอทยานเหมิมเกลิมถ้าไปอยู่คนหนึ่งคนเดียวมันระมัดระวังตัวกลัวตายหลวงปู่ใหญ่หลวงปูงป่มั่นถ้าใครฝึกหัดยาก ท่านจะสั่งให้ไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำลึกๆท่านนี้ไปอยู่เขาลูกนั้นนะท่านรูปนี้ไปอยู่ถ้ำตรงนั้นท่านจะชี้สั่งเลยแต่ให้ไปตามคำสั่งท่านนะถ้าไปที่อื่นแล้วมาพูดว่าไปอยู่ที่นั่นไม่ได้นะเข้าวัดไม่ได้เลยท่านห้ามเด็ดขาดท่านอยากให้ได้สติถ้าไปอยู่อย่างนั้นมันจะได้ระมัดระวังความระมัดระวังนั่นแหละเป็นตัวสติเป็นอะไรถึงระวังก็กลัวตายนั่นแหละ กลัวอันนั้นอันนี้อยู่นั่นแหละสังเกต ด, ดูแต่จิตใจของตัวเองนักเข้าสติกับจิตมันก็เลยเข้าไปอยู่ใกล้ๆกันเราก็เคยทรมานตัวเองอยู่เพราะว่ามันฝึกหัดยากไปอยู่ในภูเขาไปเดินจงกรมอยู่บนหลังภูเขานอนมีเสือมีช้างอะไรไม่ได้รับรู้ <Sm> ตั้งจิตอธิษฐานเดินจงกรมไม่มีนาฬิกาก็ฟังเสียงนกร้องแมลงอะไรมันร้อง ระยะ น, นั้นเป็นช่วงเดินสามเดินสี่จ้า ก, กจันมันร้องเออนี่ข้าแล้วเริ่มตั้งแต่นี้แหละเดินจงกรมทีนี้นกแสงแสวมันรอน้องโน่นแหละถึงหยุดเดินมันอยู่อย่างนั้นไม่ยอมนั่งเด็ดขาดถ้านั่งพักพผ่อนผีภูเขาตัวไหนดุดูมาหักคอมันเลยเรียกมาหมดภูเขาเลากาดั ก, กจิตใจไว้ถึงป่านนั้นมันถึงจะอยู่นี่แหละการภาวนาทรมานกายก็เป็นการทรมานจิต เดินจงกรมอยู่อย่างนั้นจนปลีกแข้งตึงหมดยกขาไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็ค่อยๆเดินเอาไปไหนก็ไม่ได้บางทีเสือก็จะมาพอสว่างมาหมูกวางหมูฟานเต็มอยู่ในปา่ามันมาอยู่ตามที่ใกล้ๆก็มีเอาอย่างนั้นแหละการฝึกทรมานตัวเองเราไปอยู่คนเดียวที่ถ้ำคำไฮเป็นไข่ฉันจังหันก็ไม่ได้ไปบินทบาดก็มองไม่เห็นทางมันวิงเวียนแต่ว่าก็นอนบ้าง เวลานอนมันก็ไม่ยอมให้นอนนะนอนอยู่ผู้เดียวนอนกลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามผีมันก็เอาหัวแม่มือมาจับหัวแม่ตีนนี่แหละกำแน่นแล้วก็กระตุกเลยต้องบอกผีว่าเอาให้นอนสักหน่อยก่อนนะให้นอนสักหน่อยก่อนมันกำลังเมื่อยพอนอนเท่านั้นมันก็มากระตุกอยู่อีกอย่างนั้นหนักเข้าก็ไปเดินจงกรมอีกแต่ไม่กลัวนะ ไม่มีอะไรนะมีแต่ฟากไม้ไผ่กว้างๆขนาดห้องนี้แหละกลางวันมันก็มาดึงคิดในใจว่าเอ๊ะพวกเจ้าให้ข้าภาวนาดีแท้เนาะทำอยู่อย่างนั้นแหละใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวดีที่พักมันเป็นเพิงฝาสามข้างมีฝาบังข้างหน้ามัดไว้ยามกลางคืนเอาไม้ค้าไว้ออกหมดเปิดออกทุกทางสัตว์เสือร้ายอะไรมาก็มาเลยเสือจะมาดึงมาเอาไปกินก็มาเลย สูงประมาณเมตรกว่าอยู่กลางดงฝังเหวมันไม่กลัวอะไรเลยกล้าหารเด็ดเดียวเดินได้หมดเดินห้าแดดร้อนร้อนกลางวันแสบแสบเดินจงกรมทั้งวันพอบิดาบัตมาฉันมันมีบ้านอยู่สี่หลังเขาใส่ข้าวปั้นเล็กๆมาพอฉันพอดีมีอะไรก็ฉันไปตามมีตามได้ฉันแล้วล้างบาดแล้วลงจากกุฏิเดินจงกรมจนกระทั่งหมดแสงตะวันถึงเลิกเดินอยู่นั่นแหละจนแดดหมดเดินทั้งวัน กลางคืนก็นั่งสมาธิทั้งคืนถึงเชา้าเอาถึงขนาดนั้นนะมันถึงจะอยู่จิตใจของคนเรานี่น่ะใจนี้ไม่ใช่ธรรมดานะไม่ได้พูดกับใครละพูดอยู่คนเดียวเรื่องของใจนี้เมาอยู่ในเรื่องของตัวเองทั้งนั้นถ้าคิ ด, ค, ดคิดดูดูให้ชัดๆมันก็ยากมันหนามากนะคิดดูตัวเจ้าของถ้าไม่ฝึกหัดบ้างไม่พอที่จะเห็นหน้าเห็นหลังสิ่งเหล่านี้หมู่เพื่อนก็ลองดูจะน้าจะบางก็คงรู้จักรอก ลองฝึกสมาธิตั้งจิตกำหนดดูก็รู้อยู่ภายในจิตตลอดเวลามีสติกำหนดจดจอ่อแนบสนิทกับใจอยู่นั่นแหละการไปการมาการเดินพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าให้ตั้งสติไว้เลยไปไหนมาไหนก็ให้รู้จักนั่งอยู่ไหนให้รู้จักเรื่องของตัวของตัวเองตลอดเดินไปบินถ้ำบาตก็รู้อยู่อย่างนั้นกลับมาฉันก็ให้รู้อยู่ให้มันรู้อยู่ได้ตลอดวันไม่ให้ส่งใจไปทางอื่น รู้อยู่ในเรื่องของจิตความคิดความนึกถ้ารู้อยู่ตลอดวันพอไปนั่งสมาธิจิตลงเลยแหละเราไม่ได้นั่งหมดทั้งวันหมดทั้งคืนหรอกตั้งความรู้ให้รู้อยู่ภายในจิตใ จ, จนี่แหละลุกไปลุกมาจะเดินไปเดินมาให้รู้อยู่ภายในใจตลอดเวลาไม่ให้ส่งออกไปข้างนอกรู้ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงตอนเย็นตอนค่ำหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นท่านเคยสอนว่าถ้าใครตั้งสติไม่ค่อยได้ ภูเขาที่ไหนมันลําบากท่านจะจัดให้ไปเลยอยู่ที่ไหนมันมีเทวดามีผู้ผีปีศาจมากมากท่านจะจัดให้ไปอยู่เลยให้ไปเพียงคนเดียวไม่ให้ใครไปเป็นเพื่อนหลายคนถ้าอยู่ตามธรรมดานี่โอ้ยมันสนุกสนานเพลิดเพลินไปตามอารมณ์การนอนท่านก็ห้ามไม่ให้นอนฟูกนอนเบาะจนเกินไปมันนอนดีเกินไปนอนอย่างไรมันก็นอนได้นั่งอยู่มันยังนอนได้ เรื่องของจิตแต่มันหาวิธีอยากให้นอนนอนจิตนอนใจไม่นอนสักครั้งทํางานอยู่ตลอดวันเวลาถ้าหากมีสติมันก็ตื่นอยู่อย่างนั้นแหละอยากตื่นตอนไหนก็ได้ไม่อยากตื่นก็ได้ไม่นอนสักครั้งก็ไม่หิวรัฐธรรมชาติธรรมะเป็นของเลื่นเลอขนาดนั้นนะแต่เราต้องประพฤติปฏิบัติจนได้ประสบการณ์ถ้าหากมีศรัทธาเร่งในการประพฤติปฏิบัติอยู่ตลอดมันจะต้องเกิดขึ้นวันใดวันหนึ่ง เพราะมันเต็มรอบมันได้สัดส่วนและมันจะเป็นไปเองเราไม่ได้ตกแต่งมันหรอกเราไม่ได้ปรารถนาเราไม่ได้อ้อนวอนมีการกระทําอย่างเดียวถึงระยะมันก็เต็มของมันคล้ายๆกับเทน้ําใส่ขวดถึงระยะมันก็เต็มเองคล้ายๆกับผลลัมบารากไม้จะเป็นพัอทองแตงไถก็ตามแต่ว่าเราบํารุงเหตุคือเอาใส่ดินที่มีปุ๋ยแล้วก็มีน้ําหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดนักเข้า มันเป็นของมันเองผลิตดอกออกผลมาเองแล้วก็ใหญ่โตไปตามลักษณะอาการของมันจะมีดอกมีผลผลเล็กผลใหญ่ตลอดจนถึงสุกเป็นเรื่องของเขาเองเราไม่ได้ไปถอนขึ้นอันนี้ชันใดก็ดีการประพฤติปฏิบัติบับรงแต่เหตุอย่างเดียวมีแต่สร้างเหตุมันจะไปของมันเองบางคนนั่งไปบ้างก็อยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากเห็นนั่นเห็นนี่โอ้ยก็แล้วแต่เท่านั้นแหละตัวนี้แหละเป็นตัวกิเลสไปบังไว ขวางอยู่อย่างนั้นตั้งไม่ได้ตั้งแต่เหตุอย่างเดียวมันจะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรไม่ได้รับรู้ข้ามีหน้าที่ทำส่วนจะเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของเขาการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมจะไปคาดคะเนไว้ก่อนล่วงหน้าตั้งความอยากไปข้างหน้ามันจะขวางไว้เลยเหมือนกับเขากั้นรั้วไว้ทำไปเลยเรามีหน้าที่ทำทามากเท่าไหร่ก็ไม่ว่าพยายามทาทาให้มากๆไม่ต้องท้อถอย ผลปัญหากเกิดขึ้นเองหรอกหลวงปู่มั่นท่านพร่ำสอนอย่างนี้บ่อยๆขณะที่เราอยู่วัดบ้านหนองผือหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นท่านเล่าว่ามีพวกเทวดาอินพรหมนาหรือพวกกายทิพย์กายเทพเหล่าอื่นมาไม่หยุดมาเป็นห ม, มู่ๆมาแล้วหัวหน้าจะสั่งนั่งพับเพียบกราบพร้อมๆกันแล้วก็อาราธนาเขาไม่ว่าพรหมมาจะโลกาเหมือนพวกมนุษย์เราหรอก เขาสงสัยธรรมะข้อไหนก็ถามขึ้นเลยถามแล้วท่านก็อธิบายให้ฟังเขาจะมารายงานก่อนทีแรกว่าจะมาจากทางทิศไหนเขาไปไหนมามีจํานวนเท่านั้นเท่านี้วันนี้อยากมาฟังธรรมธรรมะหมวดนี้หมูน่นี้ก็ว่ามาเลยท่านเทศให้ฟังจนจบแล้วกราบพร้อมกันไปเลยเทศให้เทวดาฟังนี่ง่ายไม่เหมือนเทศให้มนุษย์ขี่เหม็นฟัง และท่านยังเล่าเรื่องน้องชายของท่านในอดีตชาติตายไปเกิดเป็นพญานาคที่ภูเขาบริเวณไม่ห่างจากวัดน้องผือให้ฟังว่าหมอนี่เคยเป็นน้องชายของท่านมาชาติหนึง่งมาฟังเทศท่านนั่นแหละเห็นรอยอยู่ครูบาอาจารย์ชั้นป ร, รมาจารย์อย่างท่านหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ม่านท่านว่าฟังเทศอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าอายตนะทั้งหกตาหูจมูกเล่นกายใจมันรับอยู่ตลอดเวลา มีแต่เข้ามาแสดงทำให้ฟังนี่ไม่จำเป็นจะต้องฟังอะไรมากมายกายกองฟังแล้วก็น้อมเข้าไปสอนจิตสอนใจตัวเองสอนเจ้าของเองนั่นแหละทั้งๆ ท, ที่ไม่รู้จักตัวมันเรื่องของจิตเป็นการกระตุ้นเตือนจิตใจตนเองอยู่ตลอดเวลามันก็ได้ประโยชน์เราจะส่งไปตามอารมณ์ภายนอกดึงมันเข้ามาหาตัวเจ้าของเองเพราะว่าต้นเหตุแห่งเขามูลมันอยู่กับตัวของเราเองทั้งนั้น เวลาเรานั่งสมาธิสังเกตดูในร่างกายจิตใจของเราก็เรียกว่าดูธรรมมันจะมีปฏิกิริยาแบบไหนแสดงขึ้นมาในร่างกายเราก็รู้อยู่ทุกระยะถ้ า, ามีสติกำหนดเจุดจ่ดูอยู่ในเรื่องของตัวเองมันไม่ส่งไปทางอื่นเรื่องอารมณ์ภายนอกพักไปเสียก่อนไม่ต้องเกี่ยวมารู้อยู่ในตัวของเราเองเพื่อรวบรวมพลังของใจให้มันเป็นก้อนใหญ่สักหน่อยเจนกว่าจะมีความสงบ คำว่าสงบในที่นี้สงบจากอารมณ์ภายนอกมาสังเกตดูอยู่ในปฏิกิริยาซึ่งแสดงออกทางกายวาจาและจิตใจของเรามารู้อยู่ในส่วนภายในนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ตั้งสติไว้สติคือความรูร้รู้เป็นธรรมะชนิดหนึ่งเป็นคู่ของใจประเภทรู้เหมือนกันแต่ใจมันรู้ไปข้างหน้ามันไม่รู้ถอยหลังถ้าไม่กาหนดจดจ่อเอาไว้ อุปมาเหมือนกับเรือเรือไม่มีคนพายก็ไปตามเรื่องตามราวของมันแต่ก็ไปได้เหมือนกันขวางลำไปตามเรื่องเรือใหญ่ก็มีหางเสือถ้าหางเสือไม่ทํางานมันก็ไปตามเรื่องตามราวขวางหน้าขวางหลังลักษณะสติคือหางเสือทํางานไม่ภายก็ทํางานตามหน้าที่ทําให้เรือไปตามเป้าหมายที่เราต้องการนี้ฉันใดการตั้งสติกําหนดสติกับจิตก็คล้ายคๆทําทนองเดียวกันฉะนั้น สมัยที่อยู่กับหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นมีเท่าแจคนหนึ่งเป็นคนกรุงเทพในระยะนั้นเป็นสงครามอินโดจีนเท่าแจนนั้นก็มาฝึกสมาธิมาสร้างพลังจิตพลังใจให้เกิดขึ้นพอดีเขามาวางระเบิดตึกของแจก็อยู่ในแถบที่เขาวางระเบิดนั้นในขณะนั้นจิตแจเป็นสมาธิตึกสองข้างพังทลายไปหมดคนตายมากมายกายกองตึกของแจพอโยเยนิดหน่อย แจนั่งสมาธิไม่ได้ยินเสียงระเบิดนั้นเลยทั้งที่เสียงระเบิดดังตร่มตามสั่นสะเทือนไปทั่วพอแจรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วร้องโอ้โ oh หพุทโธนี่ดีจริงๆแจว่าอย่างนั้นหลังจากนั้นจึงได้รวบรวมสิ่งของเต็มรถเอามาถวายให้ท่านพระจารย์มัน่นบางสุกุลที่วัดบ้านหนองผือนาในาจังหวัดสกลนครจะเห็นอานาจพุทธะจริ ง, รงๆว่าอย่างนั้นพุทธะตัวเดียวเท่านั้นแหละแจว่ามีค่าที่สุด นี่แหละพลังของใจเป็นของแปลกถ้าหากเราระลึกถึงพุทธบ้างอารมณ์จะจ่ออยู่ในจุดนั้นนิ่งไม่ส่งหน้าส่งหลังมีพลังเกิดขึ้นพลังของจิตเป็นของสาคัญถึงแม้ว่าจะไปทำจิตการอย่างอื่นถ้าเรามีพลังของใจอย่างว่าแล้วพอที่จะเป็นอะไรก็ไม่เป็นสิ่งเหล่านี้เป็นของแปลกเหมือนกันครั้งพุทธกาลก็เคยมีและปัจจุบันก็เห็นประจักษ์อย่างที่กล่าวมาแล้วหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่น ท่านป่วยก น, นักๆเข้าเราเอายามาถวายท่านท่านฉันดูสักหกเจ็ดวันทาไม่ได้เรื่องแล้วท่านโยนเข้าป่าเลยท่านกล่าวว่าข้าวก็ไม่ต้องกินมันนั่งดูแต่จิตใจอย่างเดียวยามป่วยไข้ท่านสอนว่าใจดวงนี้สำคัญไม่ใช่ของง่ายๆนะโรคภัยไข้เจ็บก็มากับใจที่หมุนเวียนเกิดแจ่เจ็บตายนั่นแหละไม่อยากให้มีโรคก็ให้เอาชนะกิเลสที่อยู่กับใจ ต้องฝึกหัดธรมานอย่างหนักถึงค่อยจะรู้เรื่องของจิตใจใจของใครก็ฝึกหัดให้ได้ทุกคนนั่นแหละนี่นี่เราถึงค่อยได้ฝึกหัดได้มาบวชมาเรียนมาเรียนในจิตใจของตัวเองบวชเป็นพระเป็นเนรบวชเป็นหลวงพ่อหลวงตาอะไรก็ตามจะมาแก้เอาจิตเอาใจตัวเองเท่านั้นแหละอย่างอื่นอย่าไปเกี่ยวข้องเดี๋ยวก็เกี่ยวพอเป็นประเพณีแต่เร่งเข้าในทางจิตใจนี้ ถึงแม้จะนั่งคุยอยู่กับเพื่อนก็ต้องดูในใจไม่ต้องดูอย่างอื่นนี่เรียกว่าเป็นการฝึกขัดอบรมในด้านจิตใจเมื่อท่านป่วยมาได้ระยะหนึ่งสิ่งหนึ่งที่มนุษย์จะต้องพบเจอเป็นประจำนิสัยนั้นก็คือการพรดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักแต่การพรดพลาดนั้นไม่ใช่การพรดพลาดอย่างธรรมดาหากว่าเป็นการตายจากกันการตายของท่านผู้ยิ่งใหญ่มากล้นด้วยบุญบา ร, รมีอย่างท่าน หลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นย่อมยังความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงมาสู่ปวงพระกรรมฐานอย่างหาประมาณนี้ได้หลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นเทศปีสุดท้ายวันมาฆบูชาเพดเดือนสามท่านเริ่มเทศท่านบอกว่าเทศซ้ําเท่านะต่อจากนี้ไปจะไม่ได้เทศทําลองนี้อีกแล้วนะท่านเทศตั้งแต่สองทุ่มจนถึงหกทุ่มพอตกเดือนห้าท่านก็เริ่มป่วย จนกระทั่งเดือนอ้ายอาการของท่านดับขึ้นเรื่อยๆท่านปรารบว่าผมไม่อยากมาตายอยู่ที่นี่ถ้าตายที่นี่จะเป็นการกระเทือนและทำลายชีวิตสัตว์ไม่น้อยสำหรับผมตายเพียงคนเดียวแต่สัตว์ที่จะพลอยตายเพราะผมเป็นเหตุนั้นมีเป็นจำนวนมากเพราะคนจะมามากที่นี้ไม่มีตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนับแต่ผมบวชมามีแต่เมตตาสงสาร ได้แผ่เมตตาจิตอุทิศ ส, ส่วนกุศลแก่สัตว์ไม่เลือกหน้าโดยไม่มีประมาณตลอดมาผมทำไม่ลงอย่างไรขอให้นำผมออกไปตายที่สกลนครเพราะที่นั่นเขามีตลาดอยู่แล้วคงไม่กระเทือนชีวิตของสัตว์มากเหมือนที่นี่สิทธ์ชั้นผู้ใหญ่ของท่านคือท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีและท่านพระจานทร์ฟั้นอาจารโรเป็นต้นประชุมตกลงกันว่าจะนาท่านไปยังวัดป่าสุทธาวาส ตามดําริของท่านโดยทําเสลียงมีคนหามครั้งละแปดคนผ่านบ้านห้วยปุ่นนานเหลาคําแหวยิฐไทยโคกเสาขวัญกุดก้อมและพักที่วัดกลางบ้านผู้และที่วัดกลางบ้านผู้นี้เองท่านนั่งอยู่บนศาลาหลังคาตี้ี๋แล้วให้พระเปิดหน้าต่างออกมีผู้คนมานั่งกราบปนตประนมมือออกันอยู่มากมายบางคนก็น้ําตาไหลเสือกเธอื่น ท่านพระอาจารย์มั่นกล่าวโอวาทครั้งสุดท้ายว่าพวกญาติโยมที่พากันมามากๆมาดูพระผู้เฒ่าป่วยหรือดูหน้าดูตาก็เป็นอย่างนี้ละญาติโยมเอ๋ยไม่ว่าพระหรือว่าคนสุดท้ายก็คือตายหัวหนึ่งแขนสองขาสองความเกิดแจ่เจ็บตายที่แท้เป็นตัวธรรมะได้มาเห็นอย่างนี้แล้วจงพากันนำไปพิจารณา เกิดมาแล้วก็แฉะเจ็บตายก่อนจะตายทานยังไม่ให้ก็ให้ทานเสียศีลไม่เคยรักษาก็รักษาเสียภาวนายังไม่เคยเจริญก็เจริญเสียทําให้มันพออย่าประมาทจะไม่เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนานั่นละ่ะยึงจะไม่เสียทีเสียท่าที่เกิดมาเป็นคนเท่านี้ละ่ะพูดมากอัตมาก็เหนื่ อ, อยหลังจากนั้น ท่านก็เดินทางมายังวัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครและวันที่11กัษยายนพุทธศักราช2492เวลา 02.23 นท่านก็ดับขันธพิบากเข้าสู่อนุปาที่เสสนิ พ, พาน